ที่จริงงานเผยแพร่ที่หลวงพ่อทำนะตอนนี้มันขยายไปตัวโลกแต่มันไม่ใช่หลวงพ่อทำคนเดียวหรอกพวกเราจำนวนมากมาช่วยกันทำใครทำอะไรได้มีศักยภาพทางไหนก็ทำตรงนั้นนี่ทีมบันทึกเสียงบันทึกวิดีโอเขาก็ทำพวกทาเน็ตก็ทำทาหนังสือก็ทำบางคนก็ช่วยกัน ไปเผยแพร่แล้วก็มีน้ําอ้างเรเรียนจากหลวงพ่อแล้วไปเผยแพร่ก็มีนะไม่ใช่ถุกสมดูรอกบางคนที่ว่าหลวงพ่อสอนเรื่องดูจิตไปเอาเรื่องดูจิตไปสอนกันส่วนใหญ่ไม่ได้ดูจิตส่วนใหญ่จะไปเพ่งจิตดูจิตเพื่อเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นเพ่งจิตก็คือเข้าไปแทรกแซงจิต ไปต่ำจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นบางคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดนะเรื่องดูจิตดูใจเนี่ยสอนกันกว้างกวางเลยบอกว่าดูจิตเนี่ยต้องประคองจิตให้ว่างๆก็ให้จับอยู่ที่ความรู้สึกตัวจับอยู่ที่ตัวรู้เพราะในตัวรู้เนี่ยไม่มีราคาตัวสามโมหะังนั้นตรงนี้ปราศจากกิเลสดังนั้นวันๆไม่ทำอะไรก็จับอยู่ที่ตัวรู้อย่างเดียว จับอยู่ที่ตัวรู้มันก็สงบจากกิเลสชั่วคราวเป็นสมถะมันต้องเจริญปัญญาต้องเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจเจอถ้าสติปัญญามันแก่รอบพอนะจิตมันวางความยึดถือทั้งหลายทั้งปวงมันวางกระทั่งตัวรู้เยังอย่างเอาตัวรู้มาเป็นที่พึ่งที่อาศัยมาบังคับจิตอยู่ก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่หลักของวิปัสสนากรรมฐาน บอกว่าดูจิตดูจิตตอนนี้สอนกันพิ่ลึกพี่ล่นหลากหลายเราเรียนการดูจิตก็ต้องดูให้สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยจะมาสอดคล้องกับความคิตของเราคนเดียวไม่ได้ส่วนมากที่ว่าดูจิตดูจิตเนี่ยไปเพ่งจิตรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอย่าคิดว่าจิตตัวรู้เนี่ยให้เราอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาหลวงพ่อไม่เคยสอนให้พวกเราอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลา ถ้าจงใจสร้างตัวรู้ขึ้นมาเป็นตัวรู้ปลอมนอนทับกิเลสอยู่เฉยๆราคาตัวสัมโมหะไม่หมดหรอกว่าตัวอะไรทําให้อยากอยู่กับตัวรู้ก็ตัวโลภะตัวอะไรทําให้ไม่อยากไปจับอารมณ์อื่นก็ตัวโทสะตัวอะไรคิดว่าตัวรู้นี่เป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นของดีของพิเศษเป็นของเที่ยงเป็นตัวสุขเป็นตัวควบคุมบังคับได้ือตัวโมหะ ตัวหลอกลวงให้เข้าใจผิดเพฉะเราไม่ได้ฝึกตัวรู้เพื่อจะเอาตัวรู้แต่เรามีตัวรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นว่าชีวิตเราขาดเป็นท่อนๆชีวิตเมื่อกี้นี้หลงชีวิตตอนนี้รู้หลงก็รู้หลงก็รู้เนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีตัวรู้เลยเนี่ยชีวิตเรามีแต่ตัวหลงแล้วเราก็จะเห็นว่าชีวิตนี้เที่ยงจิตใจของเราเที่ยงคงที่อยู่คนในโลกหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ย มีแต่ตัวหลงไม่ไม่มีตัวรู้ก็รู้สึกว่าจิตใจนี่คือตัวเราร่างกายนี้คือตัวเราเห็นว่าเป็นของที่คงที่อย่างนี้แหละพอร่างกายนี้ตายไปจิตใจนี้ก็ออกจากร่างไปเกิดใหม่ก็คงที่อยู่อย่างนั้นเป็นอมตะไม่ตายนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัจสตาทิฏฐิส่วนตัวรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นขณะขณะ มันจะตัดชีวิตเราให้ขาดเป็นท่อนๆชีวิตเดิมมีอันเดียวคือหลงหลงหลงหลงต่อมานี้มันจะมีหลงแล้วรู้หลงรรแล้วรู้เรามีหลงก็รู้มีหลงก็รู้เรื่อยๆไปนะเราก็จะเห็นได้หลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงหลงก็ห้ามไม่ได้นะรู้ก็บังคับไม่ได้มีแต่ของเกิดดับมีแต่ของบังคับไม่ได้เพราะเรามีตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะรักษาจิตใจอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาแล้วบอกว่าตัวนี้ดีตัวนี้ไม่มีกิเลส ตอนนั้นเต็มไปด้วยกิเลสตัวรู้นั่นแหละคือเรามีตัวรู้เนี่ยตัวรู้เพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วดับไปพวกเราจำนวนมากนะมันได้ตัวรู้มาแล้วละพอได้ตัวรู้เราจะเห็นว่าเมื่อกี้นี่หลงเมื่อกี้นี่หลงตอนนี้รู้รู้อยู่ชั่วคราวเราไม่รักษาก็เห็นว่ารู้เนี่ยก็ดับไปอีกตอนที่รู้ดับไปก็เป็นหลงอีกละ รู้กะหลงรู้กะหลงนะมันหลงก็รู้นะสลับกันเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงแต่ของประคับไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าเราจเจริญปัญญาอยู่ เ, เห็นความจริงเลยเนี่ยหลวงตาท่านสอนนะว่าเนี่ยตัวจิตผู้รู้นี่ยนหะตัวหัวโจกตัวอวิชายตัวนี้เพราะว่าในตัวผู้รู้เราเนี่ยอุดมไปด้วยราคาโทสามหะมีราคานะมันชอบใจในตัวรู้ มีโทสะเนะมันเกลียดไอ้ตัวหลงมีโมหนะแล้่มันคิดว่าตัวรู้ที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เป็นอมตะไม่เกิดไม่ดับนั่นปัวโจกเลยของปัญหานะก็คือตัวรู้นั่นเองแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยตัวรู้ก่อนถ้าไม่มีตัวรู้เราก็จะมีแต่ตัวหลงมีแต่ตัวหลงมันจะเห็นความจริงของกายของใจของธาตุของขันอะไรอย่างนี้เห็นไม่ได้ อาศัยตัวรู้ตัวรู้เหมือนเรือนะเวลาที่เรายังต้องเดินทางในทะเลอยู่เราก็ใช้เรือพอเราขึ้นบกเราก็ทิ้งเรือถ้าเราไม่ขึ้นจากเรือเราไม่ทิ้งเรือเราก็ขึ้นบกไม่ได้งั้นอาศัยตัวรู้ไปก่อนสร้างตัวรู้ขึ้นมาให้มันเข้มแข็งแต่ไม่ใช่ให้มันเที่ยงมีตัวรู้ที่เข้มแข็งหมายถึงว่าพอหลงปั๊บรู้ปั๊บหลงปั๊บรู้ ป, ปั๊บนะฝึกให้ว่องไวไจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องฝึกทุกวันต้องซ้อม ทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างนึงที่เราคุ้นเคยเราทำกรรมฐานที่เราคุ้นเคยสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็สังเกตจิตใจของเราไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงนานไปก็จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นมารู้ก็ไม่เที่ยงหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็บังคับไม่ได้หลงก็บังคับไม่ได้และชีวิตนียมีแต่ความเกิดดับมีแต่ความเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ไม่ได้มีหนึ่งเดียว ชีวิตเนี่ยมีเป็นขณะขณะขณะไปขณะนี้ดีขณะนี้ชั่วขณะนี้สุขขณะนี้ทุกเนี่ยอาศัยมีตัวรู้ก็จะเห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่เข้าใจหลักของการทํำวิปัสสนาไปรักษาตัวรู้ไว้จะเที่ยงเวลาจิตเราไปอยู่กับตัวรู้เนี่ยมันจะมีแต่ความคงที่มันรู้สึกคงที่ไม่เปลี่ยนเลยเวลาจิตจับอยู่ที่ตัวรู้เนี่ยถ้าเราเป็นลมนะ อยู่ได้หลายกลับเลยอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นกับนะเวลาจิตจับอยู่ที่ตัวรู้เนี่ยแทนที่รู้สึกว่าเที่ยงกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิซี่รู้สึกว่าสุขแทนที่จะเห็นว่าเป็นตัวทุกข์กับรู้สึกว่าเป็นตัวสุขนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดมีความเห็นผิดรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเราบังคับได้จิตเนี่ยเราเป็นตัวรู้อยู่ทั้งวันเลยเรียกว่าเรารู้ตัวอยู่ก็เป็นตัวเราขึ้นมาไม่ใช่อนัตตา เราเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยง เ, เห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เ, เห็นของที่เป็นอนัตตาว่าเราบังคับได้ควบคุมได้นี่ไม่ถูกต้องไม่ใช่การทํราวิปัสสนาวิปัศนาเห็นความจริงมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพนเบื้องต้นเรามีตัวรู้นะแต่ว่าไม่ใช่รักษาจิตอยู่กับตัวรู้นี่รันตอนตัวนี้ต้องระวังนะเรามีสอนกันมากเลยช่วงหลังๆเรื่องดูจิตดูใจแต่ก่อนไม่มีใครพูดเรื่องดูจิต แต่ก่อนเนี่ยพูดแต่เรื่องดูกายหลวงพ่ อ, เ, อเรื่องคือจิตที่หลวงปู่ดูลสอนแล้วมาพูดก็รแรกๆก็ถูกต่อต้านมากเลยคนไม่เข้าใจคนจะเชื่อว่าเบื้องต้นต้องดูกายก่อนอันนั้นก็เป็นความเห็นส่วนตัวหรอกพรุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าเบื้องต้นให้ดูกายก่อนท่านสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่ใครถนัดฐานไหนก็เอาฐานนั้นแหละนี่พอเรื่องดูจิตชักบูมคนก็เอาไปสอนนึกๆเอา ลืมหลักของพอุทธเจ้าไปใช้ว่าดูจิตก็คือไปเฝ้ารักษาจิตเอาไว้ตรงนี้ผิดเต็มที่หลวงพ่อพูดได้แต่ปากว่าผิดนะเพราะหลวงพู่ดูลเคยบอกหลวงพ่อหลวงพ่อเคยทำผิดมาแล้วไปเรียนจากหลวงพู ด, ดูลครั้งแรกวันที่หกุมภาพันธ์สองพันรยี่บห้าขึ้นไปหาท่านบอกท่านไปกราบท่านว่าหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านสอน ว่าการปฏิบัติน่ะไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหะนังสือมามากแล้วแต่อไปนี้อ่านจิตตนเองกลับมานะท่านบอกให้อ่านจิตตนเองก็งไปคอยเฝ้าจิตไหจ้องจิตไหมเชิญจิตเป็นผู้รู้นะเด่นดวงอยู่ไม่กระดุกระดิกไหนเลยรู้ตัวอยู่ตลอดวันเลยจิตไหลนิดเดียวก็เห็นแล้วกลับมาตั้งเด่นดวงอยู่ที่ว่าถ้าจิตตั้งมั่นนานๆไปแล้วมรรคผลจะเกิดคิดว่าถ้าสมาธิมากๆมรรคผลจะเกิด เวลามีสมาธิจินจะตั้งมั่นตัวรูมจะเด่นดวงอยู่แล้วก็เกิดความเข้าใจผิดนะว่าทําสมาธิมากๆแล้วมากผลจะเกิดนี่พอทําอยู่สามเดือนขึ้นไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู้บอกทําผิดแล้วนี่ไม่ได้ดูจิตนี่ไปแทรกแซงจิตจิตมันมีอาการของจิตมันต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งเป็นธรรมชาติของมันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายให้ดูมันก็คือดูมันทํางานดูมันเล่นหลักครไป เดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายดูมันอย่างที่มันเป็นนี่เราไปรักษาตัวรู้ไว้คงที่เลยสว่างสวัยอย่างนั้นนะสบายมีแต่ความสุขนะมีแต่ความเที่ยงมีแต่ความสุขมีแต่การบังคับได้นี่บุญนะทําผิดอยู่สามเดือนนี่ไปหาครูบาอาจารย์ท่านแก้ให้ท่านบอกว่าทําผิดแล้วให้ไปดูไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงดูจิตดูใจก็เราจะเห็นได้จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใครเป็นคนดูจิตหน้าเป็นคนดูจิตที่เป็นผู้รู้นั้นจะเป็นคนดูแต่ขณะที่จิตเป็นผู้รู้นะเป็นจิตดวงหนึ่งนะแล้วจิตมันทํางานไปเป็นจิตอีกดวงหนึ่งก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่ไปรู้ว่าจิตตะกี้นี้ทำงานการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ว่ามีจิตทีเดียวหลายดวงจิตเกิดทีละดวงเกิดดับไปเรื่อยๆสืบเนื่องกันไปทีละดวงทีละดวงอย่างที่แรกเกิดจิตคิดเรารู้ทันจิตที่คิดเนี่ยมันเกิดจิตที่รู้ทัน ได้จิตรู้ขึ้นมาถ้าจิตรู้ก็อยู่โชั่วคราวเดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆมันเกิดทีละดวงงั้นเวลาดูจิตดูใจเนี่ยเราจะดูตามหลังไปเรื่อยๆเราไม่ดูลงปัจจุบันขณะนะดูจิตเนี่ยดูจิตถ้าเรียกปัจจุบั น, นสัน ต, ติหมายถึงสืบเนื่องกับปัจจุบันเมื่อกี้นี้เป็นอย่างนี้เมื่อกี้นี้เป็นอย่างนี้นนแต่ต้องเมื่อกี้นะถ้าเมื่อวานเป็นอย่างนี้อะไรนี่ใช้ไม่ได้นานไป เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธนี่ไม่ใช่แล้วห่างเกินไปไม่เป็นปัจจุบันสันติปัจจุบันสันติคือสืบเนื่องอยู่กับปัจจุบันเลยโกรธขึ้นมาแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งจิตดวงหนึ่งโกรธมีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าจิตตกินี่โกรธจะเห็นอย่างนี้สืบเนื่องกันไปเรื่อยเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยตัวจิตที่รู้เนี่ยมันไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยแต่มันไปรู้ว่าจิตตกี้โกรธใช่ไหมตัวรู้เนี่ยมัมีไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยนะมันเจริญปัญญาได้ด้วย เั้นไปรักษาตัวรู้เฉยอยู่ไม่เจริญปัญญาไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานหรอกงั้นพวกเรามีตัวรู้ก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าไม่รักษาตัวรู้ให้คงที่อยู่มีตัวรู้เพื่อเอาไปเดินปัญญาไปดูธาตุดูขันดูกายดูใจเขาทางานไปดูคอยสังเกตไปด้วยสบายสบายถ้าจะดูกายไม่ดูจิตดูกายก็เห็นว่ากายก็ของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ถ้าพวกเราไปอ่านพระสูตรให้ดีนะ พระเจ้าจะสอนไม่ชัดๆเลยอย่างเรื่องอนาปนสตินะหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้เนี่ยเราเป็นผู้รู้กล่องลมรู้ทั่วถึงกล่องลมหมายถึงว่าใจนะเป็นคนรู้แต่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่อย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราว่าเวลาดูลมหายใจไม่ได้ไปดูที่ลมหายใจนะแต่ดูร่างกายหายใจเรารับรู้ใน กองลมหายใจเใจเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าใจไม่เป็นผู้รู้นะไปทำวิปัสนาอะไรไม่ได้หรอกจิตไม่มีคุณภาพแต่ไม่ใช่รู้อยู่เฉยรู้ไปถ้าดูกายใจเราเป็นคนดูเห็นกายมันทำงานไม่ใช่รู้ตัวเฉยเฉยเราไม่เห็นอะไรถ้าดูจิตดูใจก็จิตตะกี้หลงจิตตอนนี้รู้รู้ว่าอะไรรู้ว่ามตะกี้หลงจิตตะคี้โกรธตอนนี้รู้ เกิดจิตรู้รู้อะไรรู้ว่าตะกี้โกรธจะรู้อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเราก็จะเห็นว่ามันเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปล้วไม่ได้ไปรักษาตัวผู้รู้เอาไว้นิรันดรหรอกค่อยฝึกค่อยดูนะไม่ยากอะไรหรอกใช้เวลาไม่นานไม่นานก็จะเข้าใจหรอกบางคนก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีค่อยฝึกก็จะเข้าใจขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มี กระทั่งตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราก็อะไรตัวรู้ไม่เที่ยงตัวรู้ไม่ใช่ตัวเราเพราะเราบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้เี่ยเห็นความจริงถ้าลงเห็นความจริงว่าตัวรู้ไม่ใช่เรานะในสามโลกธาตุนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วเพราะตัวรู้เนี่ยเป็นเราเห็นไหมมีใจรู้ไหมไม่มีเมื่อกี้เพลินใช่มมีความสุขใช่ไหม มีความสุขแต่ลืมกายลืมใจก็ไม่มีสติมีความสุขแล้วไม่มีสติจิตเป็นประเภทอะไรโลภะเมื่อกี้จิตมีโลภะนะถ้าจิตมีโลภะแล้วก็ตายไปจะไปไหนอันนี้เป็นโลภะที่มันเจืออยู่กับกุศลนะอาจจะไปสุขติได้เหมือนกันเพราะพลังของกุศลก็มีใจเราจดจ่ออยู่กับธรรมะจะฟังธรรมะเลยนะ ใจนะมันพลิกรวดเร็วนะหมนุนเวียนเปลี่ยนแปลงพุ๊บป๊บ ป, ปถ้าเราตามรู้ตามดูอย่างที่เขาเป็นนะไม่นานเราก็เข้าใจอย่างดูกายนะจะเห็นว่ามันไม่ไม่เที่ยงนะดูยากนะแต่อย่างดูจิตแล้ไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงทันทีเลยจิตหลงปั๊บมันหลงว่องไวมากเ่ยหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ไปก็หลงไปแล้วยังไม่รู้ทันนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธก็นะตามมา เนี่เราพยายามฝึกทุกวันทุกวันะรู้สึกเห็นความเคลื่อนไหวเห็นความเปลีป่ยนแปลงไปในเวลาไม่นานหรอกจิตมันจะเข้าใจมันจะเข้าใจว่ากระทั่งตัวรู้เองนะ่ะก็ไม่ใช่เราถ้าตัวรู้ไม่ใช่เราแล้วจิตจะไม่รู้สึกเลยว่าอะไรเป็นเราขึ้นไม่อีกจะขาดกันตรงที่ตัวรู้ไม่ใช่เรานี่แหละอย่างถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานะี่ยพวกเราเห็นได้เยอะแยะเลยว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ไม่ขาดหรอก มันจะรู้สึกว่าจิตยังเป็นเราอยู่รู้สึกไหมใครรู้สึกว่าร่างกายไม่เป็นเราบ้างยกมือซิมีไหมแ ย, แย่ๆไปพุทธเจ้าบอกคนนอกศาสนาพุทธยังเห็นได้เลยว่าร่างกายไม่ใช่เราะมันดูง่ายแต่ตรงที่เห็นจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีแต่ในคําสอนของพุทธเจ้านะคนอื่นเขามีแต่จิตเที่ยงไม่ก็จิตตอนนี้เที่ยงมีตัวเราอยู่จริงๆแต่พอตายแล้วสูญไปไม่ไม่คงที่นิรันดรก็สูญไปเลยตก ไปสู่มิจฉาทิฏฐิทั้งสองฝั่งนะมีแต่ในคําสอนของผู้เจ้านนี้แหละเห็นนะจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะจิตนั้นเป็นหัวโจกของธรรมะทั้งปวงจิตเป็นประธานธ ร, รมะที่เป็นกุศลอกุศลหรือมรรคผลอะไรเนี่ยนะจิตเป็นตัวหลักเลยตัวใหญ่เป็นประธานในธรรมทั้งหลายนะจิตนั้นเป็นศูนย์กลางของโลก ศูนกลางของจักรวาลอย่างในตัวเราเนี้ยพอเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะรู้สึกร่างกายเนี่ยมันลดระดับจากความเป็นตัวเราไปเหลือแค่ของเราใครเป็นเจ้าของจิตเป็นเจ้าของร่างกายเรารู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นตัวหัวโจกเลยถ้าวันใดที่เราเห็นความจริงนะว่าจิตไม่ใช่เราเนี้ยคล้ายๆเราทํำลายศูนย์กลางมันได้ศูนย์กลางอํานาจของความหลงผิดถูกทำลาย มันจะไม่มีส่วนใดในโลกนี้เป็นตัวเราอีกเลยจะขาดสะบั้นตรงนั้นเลยตรงที่จิตมันเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะมันเห็นแล้วว่าไม่ใช่เรานะตรงนี้เป็นความฉลาดของจิตในระดับต้นๆเราพอนาต่อไปอีกนะแล้วก็จะเห็นเลยสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือความทุกข์ของข้างนอกนี่ก็มีแต่ทุกข์นะในร่างกายก็มีแต่ทุกข์เวทนาก็เป็นตัวทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้จริงหรอกนะ ความปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นตัวทุกข์เหลือแต่จิตตัวเดียวเป็นตัวสุขนภาวนาไปจะเห็นว่าตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวสุขดูตัวผู้รู้เนี่ยดูไม่มีกิเลสดูแต่มีความสุขนะดูแล้วมันเที่ยงเนี่ยแล้วค่อยดูพอเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนนะว่าตัวรู้เองก็พึ่งพาไม่ได้ใจมัอก็ค่อยเฉลียวใจสังเกตตัวรู้อีกทีหนึ่งจะเห็นตัวรู้เนี่ยก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกัน เห็นตัวรู้เป็นตัวทูกเหมือนกันทูกเพราะไม่เที่ยงทุกพราเป็นทุกคือถูกบีบคั้นถูกเพราะไม่อยู่ในอำนาจเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะใจก็วางตัวรู้ลงไปตอนหลวพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดุลครั้งสุดท้ายที่ไปกราบท่านก่อนท่านมรณภาพสามวันแล้ท่านไม่สบายมากตอนนั้นออกจากโรงพยาบาลจุฬาไปากับวัดเราตามไปหาท่านที่ที่วัด ท่านอุตส่าห์สอนให้นะตั้งแต่บ่ายๆเชื่อทั้งค่ำเลยท่านสอนสอนมากมายเลยอเกินสอนเรื่องนิพพานเรื่องอะไรต่ออะไรนะเรื่องจิตที่มันพ้นกิเลสแล้วมันเป็นยังไงยังไงพยายามสอนจิตจะเข้านิพพานทํำยังไงสอนสอนจนท่านเหนื่อยมากหลวงพ่นนะอก็ลาท่านะบอกหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมกลับแล้วจะหลักกลับแล้วมากลับไม่ได้นะ ต้องจําไว้ก่อนว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงวันนี้เทศเรื่องผู้รู้นะเรื่องผู้รู้มันก็เป็นเรื่องที่ประณีตมากสุดท้ายอาศัยที่หลวงปู่สอนนะว่าต้องทําลายตัวผู้รู้อีกจรที ก็เลยรู้ว่าตัวผู้รู้ เ, เป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นที่อาศัยยังไม่ได้วันลงขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านขยายความให้คําว่าทําลายผู้รู้ไม่ใช่ทําลายจิตลงไปนะไม่ใช่ทําลายแบบแห้มแตกไปไม่ต้องทําลายตัวผู้รู้เองก็เกิดดับอยู่ทุกขณะแนละ้วไม่ต้องไปทําลายมันนะแท้จริงการทําลายผู้รู้ทําลายจิตก็คือการไม่ยึดถือมันท่านกลัวหลวงพ่อจะไปทํำลายเข้าจริงๆน รพรอพุทธท่านเมตตามากนะท่านก็บอกว่าที่ว่าทําลายผู้รู้ทําลายจิตนะไม่ใช่ทําลายตรงๆหรอกหมายถึงว่าไม่ยึดถือมันนะนี่ไม่ยึดถือมันก็คือเราไม่รู้หรอกว่าทําไงจะไม่ยึดใจมันยึดน่ะใจมันยึดตัวรู้อยู่มาพอนากันนานต้องเห็นตัวผู้รู้นั่นแหละเป็นตัวทุกนะเห็นทุกเห็นโทษนะใจมันถึงจะวาง ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่วางหรอกไม่เห็นทุกข์ไม่ได้ธรรมะหรอกนะเห็นตัวรู้เป็นตัวดีตัวพิเศษนะวันนี้รนะับไปยุโรปมานะเพิ่งกลับมาไม่นานนะที่นั่นหนาวมากเลยหนาวด้วยฝนตกด้วยนะไปวันแรกๆก้านะองศาชุดลาเนี่ยชุดเดียวเที่ยวรอบโลกเนี้ยหนาวพิลึกพิลั่นเลยนะอยู่วันเรื่อยๆนะมันร้อนขึ้นเรื่อยๆวันหลังเนะี 37, นะ่ยสามสิบเจ็ด หนาวสุดขั่วแล้วก็ร้อนสุดขีดอีกฝนก็ตกแดด ก, ก็ออกนะเนี่ยเสียงเสงไม่มีนะเป็นไข้ไปเลยแต่ว่ามีนัดมาสาราลุงชินเลยต้องมาหน่อยตัวรู้หายรู้สึกไหมตอนยกมือไหว้นะตัวรู้ตกกระตนไปแล้วนะตกเสือตกน้องตกหลุมไปหมดแล้วยังรู้สึกเลยนะ รู้สฆราวาสก็ทําไดนะ้เรื่องให้มีความรู้สึกตัวอยู่แต่อย่าไปประคองไว้นะรู้สึกไปแล้วดูเขาทางานดูใครเป็นคนดูก็ตัวรู้เป็นคนดูดูอะไรดูกายทํางานดูใจทํางานไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉนะยๆแล้วรู้ตัวขึ้นมาเพื่อจะเอามาเตือนปัญญาต่อถึงจะผ่านไปได้ปัญญาเบื้องต้อนจะเห็นว่าตัวรู้ไม่ใช่เราปัญญาเบื้องปลายจะเห็นว่าตัวรู้เนี่ยเป็นตัวทุกข์ เมื่อไรเห็นทุกข์นั้นก็เห็นธรรมพระเจ้าสอนหลักของธรรมะขั้นสูงสุดไว้เลยธรรมะที่สําคัญที่สุดเลยคืออริยสัจสี่ทุกอะไรคือทุกรูปนามกายใจนี่แหละคือทุกขันห้าคือตัวทุกในขันห้านี้ตัวที่เห็นว่าเป็นทุกข์ยากที่สุดนั่นคือจิตตัวที่เห็นเป็นทุกข์ง่ายคือกายคือตัวที่เห็นยากนะคือจิต ถ้าเมื่อไรเห็นว่าตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์นะมันก็จะเรียกว่ารู้รู้จิตยอย่างแจ่มแจ้งได้ยินที่หลวงปู่ดูลสอนบ้างไหมจิตเห็นจิตยอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคจิตเห็นจิตยอย่างแจ่มแจ้งนเห็นว่าเป็นตัวทุกข์เป็นอะไรเป็นอรหันตสมมักหลวงปู่ดูลท่านพู ด, ท, พ ด, ท, พ ด, ท, พดท่านก็เกรงใจคนเหมือนกันนะกลัวว่าจะไปหาเรื่องท่านเหมือนกันเลยท่านก็พูดแบบออมๆไม่น่อยเมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรร ความจริงถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหันตมนะระแจ่มแจ้งยังไงแจ่มแจ้งว่าจิตนี่แหละตัวทุกขนะ์ถ้ารู้ตัวนี้นะในสามโลกธาตุจะไม่มีอะไรเป็นตัวสุขอีกละถ้าจิตตัวเดียวเป็นตัวทุกข์นะตัวอื่นเป็นตัวทุกข์ไปหมดเลยตัวสุขไม่มีลนะอย่างที่เรารู้สึกโลกเป็นสุขนะเพราะจิตมันหลงรู้สึกจิตมันมีความสุขขึ้นมานะเพราะโลกมันก็เป็นสุข สังเกตไหมวันไหนจิตใจเราสบายโลกก็ผ่องใสวันไหนจิตใจเราเศร้าหมองโลกก็เศร้าหมองโลกเนี้ยมันแปลไปตามจิตของเราโลกโลกจริงๆก็ส่วนหนึ่งนะแต่โลคในความรู้สึกของเราเนี้ยเปลี่ยนไปตามจิตวันนี้จิตผ่องใสโลกก็ผ่องใสวันนี้จิตเศร้าหมองโลกก็เศร้าหมองเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์แล้วโลกเป็นตัวทุกข์หมดเลยงั้นจะไม่มีที่ใดเลยนะที่น่าไปเกิดอีก จะเห็นว่าทุกที่เลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยสามแดนโลกาธาตุมีแต่ทุกข์หมดเลยในกามากามาโลกท่านเรียกกามกามโลกหล่อลิงนะในกามาโลออกรูปะโลออกอรูปะโลกมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทําไมเป็นทุกข์ล้วนๆก็จิตมันเป็นตัวทุกข์จิตไปอยู่ในกามออกอาโลกนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในกามาวัจระภูมิถ้าจิตมันเป็นตัวทุกข์แสดงว่ากามาภูมินี่ยเป็นตัวทุกข์ ถ้าจิตไปอยู่ในรูปประภูมิไม่เห็นรูปประภูมิเป็นตัวทุกข์จิตไปอยู่ในอรูปประภูมิไม่เห็นนะอรูปประภูมิเป็นตัวทุกข์ไม่มีที่ให้เกิดอีกต่อไปทุกทุกทุกที่เนะี่ยทุกพบทุกที่เนะี่ยไม่มีที่ให้เกิดอีกเลยมีแต่ตัวทุกข์เมื่อเรามาภาวนานนะเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจให้ได้ถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แล้ววันหนึ่งเห็นขึ้นมาจิตเป็นตัวทุกขนะ์เนี่ยสามโลคนี้จะไม่มีตัวสุขเหลืออยู่เมื่อสามโลกไม่มีตัวสุขเหลืออยู่เนี่ยความอยาก นะความกระหายความดิ้นรนที่จะไปเสวยในภพภูมิต่างๆเนะี่ยไม่มีมันไม่เอาอีกแล้วเพราะว่ามันไม่อยากได้ทุกข์นัานรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากที่จะดิ้นรนไปตามภพภูมิต่างๆไม่มีรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็เลยละสมุทัยเมื่อ น, นั้นจะละสมุทัยเมื่อ น, นั้นหมดความอยากใช่ครับหมดความอยากเมื่อไหร่นะใจจะหมดความหิวโหยนะหมดความทุกข์หมดความบีบคั้นภายใน แล้วไม่มีพบภายในเกิดขึ้นพบไม่ใช่อยู่ที่ไหนหรอกพบอยู่ในใจเรานี่เองเวลาใจเราดิ้นรนทำงานไปด้วยอำนาจของตัณหานั่นแหละเรียกว่าพบอยากดีอยากปฏิบัติก็พบนะอยากชั่วก็พบอยากดีก็พบเป็นพบทั้งนั้นแะนี้ถ้าเมื่อไหร่ปัญญามันแก่รอบน่นเห็นว่าทุกที่ทุกทางนี้มีแต่ทุกหมดเลยจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกได้แต่เมื่อเห็นจิตเป็นทุกเห็นตัวเดียวนี่เอง แล้วตัวอื่นจะเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยปล่อยที่จิตตัวเดียวก็ปล่อยโลกทั้งหมดเลยทั้งสามโลกก็ปล่อยได้หมดเลยยึดที่จิตตัวเดียวก็ยึดโลกได้หมดเลยนะงั้นตัวจิตเนี่ยเป็นตัวที่พวกเราควรจะเรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเราจะเรียนรู้เท่าทันจิตของตนเองไม่ใช่เรื่องยากเลยมันเราไม่เคยได้ยินแล้วต้องเรียนต้องรู้หรือบางทีเราก็มีมิจฉาทิฏฐิเราคิดเรา คิดเอาอยาเรื่องโน้นคิดเอาเรื่องนี้คิดเรื่องธรรมะที่จริงแค่รู้จิตใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดแค่รู้ไปด้วยรู้ด้วยใจที่สบายรู้ด้วยใจที่ตั้งมัน่นเป็นคนดูเรื่องแคเป็นผู้รูนะ้รู้ไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็เห็นเองแหละไม่ยากหรอกไม่ยากนะใช้เวลาไม่นานธรรมะของพรพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้า เนื้อธรรมะของคนอื่นเนิ่นช้าหมายถึงวนเวียนในวัฏฏะไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่เนิ่นช้าเลยตัดตรงเข้ามาทำลายนะรากเน่าทำลายต้นต่อขุดรากถอนโคนกิเลสเลยะรากเน่ากิเลสอยู่ที่จิตผู้รู้นี่เองนะค่อยๆทวนเข้ามานะแล้วก็ดูมันทำงานไปเห็นมันเกิดดับไปนะพอไหวไหมไม่ยากเนาะ พวกเราฟังไม่ยากเราพวกเราฟังมาเยอะแล้วอยู่ที่ทํานะต้องสู้เอาดูของจริงครูบาอจารย์ก่อนท่านจะทําเป็นนะท่านก็ล้มลุกลุกาาลานเหมือนเราแหละพระพุทธเจ้าเองกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ล้มลุกลุกลานเหมือนเราอะไรที่เราทําผิดนะท่านก็เคยทําผิดมาก่อนเหมือนกัน ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็แบบเดียวกันอย่างท่านออกจากวังท่านคิดถึงการปฏิบัติทำงานแรกก็คือนั่งสมาธิไปเรียนจากฤาษีพวกเราก็เหมือนกันคิดถึงการปฏิบัติก็ต้องไปนั่งสมาธิรับหูรับตาก่อนนะกิเลสมันก็เหมือนกันนะของท่านของเราเหมือนกันนีท่านอดทนท่านพักเพียร น, นะค้นคว้า รู้แล้วามาบอกเราเราเดินตามหลังท่านมันเดินไม่ยากหรอกสร้างเงื่อนไขที่ดีให้ชีวิตเราน ะ, ะการปฏิบัติเนี่ยสั้นมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียนมีสติมีสมาธิมีปัญญาฝึกมากๆแล้วไม่เนินช้าไม่มักน้อยมากๆโลกมา ก, มาก ใจไม่สงบไม่สันโดษหาความสุขไม่ได้ไมีแต่โทสะชอบกลุกคลีเรื่องใหญ่เลยชอบกลุกคลีอยู่ดีไม่ว่าดีชอบยุ่ง <c oughs> ทำให้เส้าหมองเสียหายปรารบความเพียนคิดไม่ว่าเราจะต้องปฏิบัติ รู้วันรู้ตื่นขึ้นมานึกถึงแม้ว่าวันนี้ต้องปฏิบัติได้ถามจริงๆใครตื่นปุ๊บก็คิดเลยว่าเราต้องปฏิบัติว่ายกมือเซิมีไหมโอ้ยอย่างนี้เรียกว่าปราโรคความเพียร น, นะใช้ได้ <laughs> ถ้าลืมไปเลยแล้วก่อนนอนแล้วค่อยคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้กินออกช้าไปกิเลสเอาไปกินจนหมดเรื่องหมดแรงนะจะมาภาวนาตอนกลางคืนหมดแรงไปแล้วนั่งก็นั่งหลับหัวสุขหัวสุนไปเท่านั้นเอง ตื่นนอนปุ๊บต้องรู้สึกแล้วต้องปฏิบัตินะ้วใจไม่ต้องขนาดนั้นนะแล้วคอยรู้สึกตัวรู้สึกเรามีหน้าที่อยู่ไม่ประมาณไม่นิ่งนอนใจความทุกยังมีอยู่ความทุกข์ขนาดนี้ก็มีอยู่ความทุกข์รออยู่ข้างหน้าก็อีกมากมายความทุกข์รอเราอยู่นะความแก่รอเราอยู่ข้างหน้าความเจ็บรอเราอยู่ข้างหน้าความตายรอเราอยู่ข้างหน้าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักรออยู่ข้างหน้า ยังไงก็ต้องพลัดพรากทุกคนอะความไม่สมหวังความต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบรอเราอยู่ตลอดเวลางั้นเราประมาทนิ่งนอนใจไม่ได้พอใจตื่นนอนมานะใจก็จะนึกถึงนประมาทไม่ได้หรอกต้องรีบภาวนาภาวนาก็ไม่ใช่ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมลูกเดี่ยวซึมซึมไปภาวนาก็มาฝึกจิตฝึกใจ รักษาศีลฝึกใจให้อยู่กับเน้อกับตัว ใ, ใจอยู่กับเน้อกับตัวก็ถ้าใกล้ตัวรู้ขึ้นมาก็าดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูเรื่อยๆไปถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูจิตก็ดูจิตนะคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ดูกายไปคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีความคิดมีความเห็นทุกเรื่องเลยทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็าามีความเห็น พวกนี้เหมาะกับการดูจิตดูไปเรื่อยจะเห็นเลยจิตนี้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันบังคับไม่ได้ตั้งจิตเราเรายังบังคับไม่ได้เราจะไปบังคับจิตวนอื่นได้ยังไ ง, งเฝ้ารู้เฝ้าดูไปไม่นานนะใช้เวลาไม่นานถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียนจเจริญสติรตักษาศีลมีสมาธิมีปัญญาไปในเวลาอันสั้น จะเห็นความจริงตัวเราไม่มีอดทนภากเปลี่ยนต่อไปจะเห็นว่าที่มีคือตัวทุกข์ถ้าเห็นได้อย่างนี้แล้วก็โลกจะไม่มีที่ให้เราเกิดอีกแล้วไม่มีโลกให้เกิดอีกต่อไปล้วเพราะมันมีแต่กองทุกข์เรื่องอะไรจะจมลงในกองทุกข์อย่างเรารู้ว่าตรงนี้เป็นหลุมซุวมนะเคยตกมาแล้วขึ้นมาได้อะจะโดดลงไปอีกหรือเปล่าพราแมวแล้วล่ะ มันเห็นแล้วไม่ใช่ของดีนะนอกจากโรคจิตจริงๆอ่ะวันๆจะตกซ่วมเล็ดอะไรเงี้ยนะผิดปกติถ้าคนทั่วๆไปเคยพลาดตรงนี้แล้วมันก็ระวังนะรู้แล้วว่าจิตจับอารมณ์เข้าไปทีไรนะจิตยึดทีไรจิตทุกทุกทีจิต ด, ดิ้นรนด้วยความหิวด้วยอปัญหาจิตทุกทุกทีเลยดูของจริงแล้วก็เห็นของจริง ได้ของจริงได้ของจริงมาแล้วก็มีความสุขนะมีความสุขที่มหาศาลมากไม่มีอะไรเหมือนเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้ความปรุงแต่งนั้นกระทบเข้ามาแค่ขันและเข้าก็กระทบธาตรู้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ใช่จิตผู้รู้อีกต่อไปแล้วนะกลายเป็นธาตรู้ไปเป็นธาตุเลย เปนธาตุธาตุนะไม่ใช่ทอทหารสระอาศอเสือเปนธาตุธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่ต้องรักษานะไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างไม่มีความเคลื่อนไหวภายในไม่มีการไปการมาในภายนอกมีความสุขพวกเรามีโอกาสทุกคนนะ เราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วมีโอกาสธรรมะไม่ใช่ของพุทธเจ้าธรรมะเป็นของกลางพุทธเจ้าท่านคนพบงั้นท่านนิพพานไปแล้วธรรมะยังอยู่แล้เราก็มีโอกาสเข้าถึงธรรมะอันเดียวกับที่ท่านเคยเห็นมาแล้วต้องสู้นะสู้เอาพอสมควรแก่เวลานะ รับโอกาสนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินกล่าวคำถวายทานนะครับขอทุกท่านน้อมจิตตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทประโมช โ, โช์ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบตัวตราบสิ้นกาลลนานเทิน ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาครังเอวะเมวายโตทินัางเปตานางอุปกัะปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิฉตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชจันตตสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวัตวันตรายโยสุขีธีขาโยโกภะวะอภิวาทานาสีลิสนิจังบุธาปจายโนจตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุหลวงพ่อเทศสั้นนะวันนี้พวกเรามีเวลาภาวนานด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนะไม่ใช่พอหลวงพ่อเลิกเราก็เลิกตามไปนะ ต้องสู้นะต้องสู้รู้สึกเป็นห่วงลูกหลานอยู่มันขี้เกียจกันจังเลย